بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้อยู่ในสุราอัลอิสล่าในหัวข้อเรื่องศัตรูของมนุษยชาต อายาที่ห้สถึงอายาที่ห้าสิบหกอัลลอฮฺบิลเห์มนะชัยตันอันร๊าจิมยามาจะ دعو คุณฟะตัสต์จ็บูนับิฮัมดี วะตะซุนนูนาอิลลาบิสตุมอิลลากะลีลายาวมะยะดาอูฮุมวันที่พระองค์จะทรงเรียกร้องพวกเจ้ายะดาอูกุมและพวกเจ้าจะตอบสนองด้วยการสรรเสริญพระองค์ และพวกเจ้าจะนึกว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เท่านั้นทีนี้คำว่ายาวมากเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีวันสำหรับตัวเองอยู่สามวันหนึง่งยาวมาวูลิตตุวันที่ฉันถูกเกิดมานะ โดยการถูกคลอดมาออกเป็นมนุษย์เนี่ยนันวันหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตตามวิถีอิสลามที่อัลลอฮและรอซูลบอกซึ่งเป็นวิถีที่รัดกุมและถูกต้องที่สุดเพราะเป็นวิถีที่อัลลอฮฺและรอซูลกำหนด แล้วมาถึงอีกวันหนึ่งสําหรับคนทุกคนคือเยามายามูตุวันที่เราต้องตายนะวันที่เราต้องตายบางคนก็ตายแบบง่ายๆบางคนก็ตายแบบยุ่งยากเจ็บป่วยนะบางคนก็พุ่ตายเลยบางคนก็เจ็บป่วยเจ็บปวดแต่ในความป่วยเหล่านั้นน่ะ เราต้องโยงความรู้สึกของเรากับความเมตตาของอัลลอฮสุตาลาให้เราพูดว่ายังไงอัลฮัมดุลิลลาอย่าบ่นอย่าบ่นผมตอนนี้ก็มีสายสะพายยาวตำรวจในพันในพนสู้ไม่ได้หรอกงเราสายยาวกว่าอัลฮัมดุลิลลาบ่นไปมันก็ไม่หายยังไม่ถึงเวลา นะถึงเวลาก็ไปตามสภาพนะยาวมายามูดนะตอนี้ยาโมดของเราเนี่ต้องเป็นยาโมดตายที่มีอะไรละอีละหิอิละละลอต้องมีคัลิมาเป็นหลักประกันนะต้องมีคัลิมานี่งั้นไอ้คัลิมาจะมามาได้เร็วที่สุดมันอยู่ที่เราพูดถ้อยคําเหล่านี้ประจำแล้วมันจะมา ถ้าด่าประจำด่ามันก็นมาก่อนเดินสะดุดไรก็ไอไอหาเอ้ยว่าตามบ้านๆจะว่าแทนที่บอกอัลฮัมดุลิลละเพราะอะไรเพราะตรงนั้นหนึ่งอัลลอฮ์ถ้ามีบาปอัลลอฮ์ลดบาปถา้าไม่มีบาปอัลลอฮ์เพิ่มบุญหรือว่านาอูซุบิลละมันมาไม่ทนันอีมานมาไม่ทนันสาตานมา ก, ก่อนเนี่ตรงนี้สำคัญนะผมก็เป็น มันนั้นเดลุกขึ้นเดินลืมถุงอลัลลอฮ์พอลืมถุงสายมันถึงกันอัลลอฮ์เบบจ็บสิแนทนจะได้ทำด้วยล่าไม่ทันเป็นไอ้หาอา่าเอา้ยเดินกับเดิกับเดือยอัลลอฮ์ถุงอยู่ทีนึงไ อ, อ้นั่นอยู่อีกทีนึงเจ็บงั้นต้องต้องต้องฝึก นะฮะเราทดูลินลาทำแรงให้เยอะๆนะใ น, นวันที่สองคือชีมีชีวิตอยู่วันที่สามเาน่งมีชีวิตสองตายสามเย้ามายุูปัสุไชยาวันที่ต้องถูกเกิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะนี่แหละจะสอบสวนอะไรต่อเมื่อะไรทําอะไรไว้ในโลกนุญญานี้นะว่าเมียมันมิสกาลละดัลรตินไยรอยะระ มยามันมิสกลซรตชรยใครทำอะไรดีไว้นิดหนึ่งก็ยารรหูจะได้เห็นมันคือได้พบกับการตอบแทนทำความชั่วนิดหนึ่งก็เด่นพบ ก, บกับการลงโทษถ้าเราทำไม่ดีก็ตาบ้าตนต่อโละนะอสซาฟิรุลลอาวฟิรุลรละนะแล้วก็พยายามที่จะไม่กลับไปทำความชั่วนั้นอีก นี่คือสเตปที่อลัลลอฮ์วางมาไงงั้นระบบชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นตัวกําหนดแต่เอาคําสั่งของอลัลลอฮ์เป็นตัวกําหนดต่อเอาคําสั่งของอลัลลอฮ์เป็นตัวกําหนดนวันนั้นไปลอกตาลอกมาข้างเดียวอันนี้พอสายแว่นเห็นข้างเดียวอีกข้างเดียวไม่เคยเห็นรออักบัต ยาวมายะดอกุมวันที่พระองค์จะทรงเรียกร้องพวกเจ้าเนี่ยยะเดอูไรยะเดอุลลอฮุอิลันมัชชัดนะเรียกร้องเจ้าสู่มัชชัดคือวันทุ่งมัชชัดเนี่ยเราไปอยู่ที่ทุ่งมัชชัดนะไปรวมตัวกันที่นูน่นใหญ่ขนาดไหนวันรออาลัมนะฟาตัสตายีบูพวกเจ้าจะตอบสนอง คืออะไบิหัมดีด้วยการสรรเสริญต่อพระองค์คือต่อคําสั่งของพระองค์ต่อคําสั่งของพระองค์คืออะไรคือบิหัมดีคือค อ, อุมาตัปสินอธิบายว่ามุงกอดีนะแลา้วฮามีดี <c oughs> ตามที่อัลลอฮ์เรียกเราก็เป็นไปตามตอบสนองที่อัลลอฮ์เรียกเราก็ไปตามที่อัลลอฮ์เรียกฮามีดีและได้สรรเสริญต่อพระองค์ แต่นี้วันนู้นจะสรนเสริมต่อพระองค์ได้นั้นมันอยู่ว่าที่วันนี้เราจัดการกับชีวิตของเรายัางไงวันนู้นอย่ามุญยาซะวันในการตอบแทนแต่วันนี้เป็นดารุลอามันวันในการปฏิบัติทำยังไงล่ะทำยังไงที่วันนู้นจะเป็นคนที่ฮามีดีนอัลลอฮ์วันนี้ต้องอะไรนึงบิมะอิฟติลรู้จักอัลลอ์ว่าอัลลอ์สร้างเรามาอัลลอฮ์ให้ชีวิตนะรู้จักอัลลอ์แบบนี้ เวลาเรารู้จักอัลลอฮ์แบบนี้ก็ต้องรู้จักคําสั่งของอัลลอฮ์ด้วยว่าให้เรามีชีวิตอยู่แล้วมีคําสั่งกํากับว่าเราต้องดูแลชีวิตตามแบบอิสลามไม่ใช่แบบอื่นนะมายับตะกี้คอยรออิสลามมีดีนั้นถ้าเอาแบบอื่นที่ไม่ใช่อิสลามไลายุคบาลามินหูอัลลอฮ์ไม่รับการกระทําเราคิดว่าดีแต่ไม่ใช่แบบที่อัลลอฮ์กระซูลบอกอัลลอฮ์ไม่รับ วัววฟิลลาคือรอตีมีนันคอสิดินขับไปสู่อัลลอฮ์ก็คือขาดทุนก็คือดาชคลีน่าอัลนันนัตดาชคลีน่าฟินนัตอยู่ในโลกตลอดกาลดงนั้นวันนี้ต้องต้องเตือนใจตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นไปตามที่อัลลอฮ์สั่งหรือไม่ท่า น, นต้องรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ชีวิตอัลลอฮ์ให้ลมให้ใจอัลลอฮ์ให้ทุกอยา่างบางทีเราสบายไม่เกิดความรู้สึก แต่เมื่อวันที่เรามีสูญเสียเราจะเกิดความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นงั้นรู้จักอลัลลอฮ์ปุ๊บสิ่งที่ต้องมีควบคู่กันก็คือมาอิฟารู้จัก อ, อัลลอฮ์วาตออะตีฮีและตออัดเชื่อฟังต่อพระองค์นั้นอลัลลอ์จะวางระบบให้กับเราทั้งหมดเรามีหน้าที่ซาเมาะนาวาตอนาได้ยินแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามระบบ ตัวเราก็จะดีผลเลิบุญก็ได้รับนะเราก็จะได้รับรอมดมาจากอัลลอฮฺสุบะตาลานี่อัลลอฮ์วางระบบเป็นระบบที่ครอบคุมรัดกุมไม่ใช่ระบบที่มนุษย์วางบางทีได้อย่างหนึ่งและเสียอย่างหนึ่งเพราะไม่มนุษย์มนุษย์นย่ไม่รู้ไม่รู้รอบเหมือนอัลลอฮฺสุบะตาลา ว่าจะรุ่นนูในอิลาบัซตุมละบิสตุมอิมลากอลีลาและพวกเจ้าจะนึกว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เท่านั้นเวลาไปอยู่ในกูโบส์อยู่บนดินยาอาจจะไม่ได้คิดพอไปอยู่ในกูโบสถ์คิดว่าเราอยู่ในโลกดินยาเพียงชั่วครู่เท่านั้นเองก็กลับมบบาสู่บ้านหลังนะเราเราลืมที่จะ ดูเวลาสําหรับตัวเองบนโลกดุนยาวันนี้อยู่มานึกด้าเจ็ดสิบสองแล้วนะ <c oughs> นึกด้าหกสิบแปดแล้วนะ เ, เราทําความดีอะไรบ้างวามาตะเดรีนับซุนมาดาตักศิโบกัดันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวามาตะเดรีนับซุนบียไอยาดินตะมูดและไม่รู้ว่าเราจะตายที่แผ่นดินไหนตรงไหนเมื่อใดไม่รู้ อันนี้แหละที่สอนเราว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทเพราะท่ามกลางความไม่รู้ต้องเตรียมพร้อมงั้นระบบอิสลามที่อลัลลอฮ์วางระบบมาจะอยู่ตรงไหนมีคำสั่งของอลัลลอฮ์ทั้งหมดผมนี่ได้คิดว่าวันที่เรายังปัสสาวะได้เนี่ยทำไมเราเข้าห้องน้ำอ่านดวอากับออกจากห้องน้ำอัลฮัมดุลิลลอฮิลลาดีอัลฮะบานีอันนินอัลาวาอฟานี ขอให้สันเสริญอัลลอ์ที่อัลลอฮ์ยให้ความยุ่งยากมันหลุดออกไปจากตัวเราวันนั้นก็กล่าวดวอากล่าวดอาแต่ว่าเรามาเจอของจริงเนี่ยได้จิตสำนึกว่าที่นบีสอนเป็นแบบนี้เองคนพอปัสสาวะได้อัลฮัมดุลิลละมันจะมีอะไรล่ะที่จะว่าเกินไปกว่านี้เพราะอ All ัลลอ์คุมระบบอัลลอ์ aw, คุมระบบเนี่ย เราจึงมีอิสลามทุกอย่างที่มุมบอกว่าพอละาวางระบบมาแล้วอิสลามทุกอย่างที่เราปฏิบัติเราก็จะได้บุญแล้วก็เป็นบรัญสำหรับตัวเราแล้วก็เป็นการรักษาสุขภาพของตัวเราด้วยอัาห้ำดุลินแลนี่คือเราอ่านี่คือเรางั้นเรามาอยู่ในโลกโดุรยาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแบบอาคิร์รอแล้วเป็นเพียงชั่วครู่เท่านั้นเอง นะอยู่ดุนยาประเดี๋ยวเดียวอาคิระรอไม่ได้นับวันแล้วคอลีดีนะฟิอาอยู่นรกก็อยู่นรกไปอยู่สวรรค์ก็อยู่สวรรค์ไปไม่มีวันคืนแบบดุนยาแล้วนะไม่มีวันไม่มีคืนแบบดุนยาแล้วนี่คือเราอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วครู่เท่านั้นเองอะ่ะเป็นการเปรียบเทียบดุนยากับอาคิร์รอดุนยาประเดี๋ยวเดียว ุูยาไปเดียวเดียวแป๊บเดียวไปแนละ้วงั้นศัตรูของมนุษยชาติในมุมนี้ก็คือเราลืมนึกถึงวันเวลาที่อัลลอฮ์ให้กับเราเราลืมคำสั่งของอัลลอ์ที่อัลลอฮ์บอกให้เราปฏิบัติเราลืมนี่คือเมื่อเราไม่เอาคำสั่งของอัลลอฮ์เราก็จะเจอศัตรูทางอารมณ์เจอศัตรูสัางสภาพแวดล้อม เจอศัตรูทางการใครพูดเราก็เชื่อใครช่วยเราก็เชื่อใครชวนเราก็ทําแล้วไม่ได้คิดว่าดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนี่ศัตรูทางอารมณ์ที่อยู่ในตัวเรานะฮะเนี่ยอารมณ์ก็ในตัวเราก็มีอารมณ์หลากหลายเราต้งบอกว่าลาตตะเบะอาวาอารมอย่าตามอารมณ์ของพวกเขาและของเราอย่าตามอารมณ์เอาคําสั่งของเราเป็นตัวตั้ง นะเอาคำสั่งของเป็นตัวตั้งแล้วลาบากไหมไม่ลําบากเอาอห้ามดื่มเหล้าเอาคําสั่ง喉咙เป็นตัวตั้งทำแล้วสบายสุขภาพกว่าดีตั้งก่อนเม่เสียนะถ้าเอาเอา喉咙เป็นตัวกําหนดเป็นยังไงดูสังคมอา喉咙เป็นตัวกําหนดที่ทะเลาะ ก, กันยิงกันฆ่ากันไปดูทีวีเลยเมาทั้งนั้นฮนะ มันมีบทก้อนบทหนึ่งว่าไม่เมาเล่าแล้วเรายังเมารักเลยนี่หนักขึ้นอีกสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหนอันมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจําทุกค่ําคื น, นอย่าเมาใจอย่าให้ใจเราเมาแล้วมันจะมึนยังไม่รู้ว่ารอสั่งอะไรไม่รู้ฉันอยากจะเป็นอยากที่จะเป็นไม่ได้เพราะเราเป็นบาคอลเราถ้าได้ก็ได้ตรงที่ว่าแล้วเวลาตายเป็นยังไงเราไม่ตายเด้อ สิ่งที่เตือนถึงความตายคือตัวเราใบหน้าเราเตือนสมก็จกดูปีนี้เหี่ยวกับปีที่แล้วตั้งเยอะปีนี้ตามมัอกว่าปีเก่าตั้งเยอะปีนี้เคี้ยวอาหารก็ไม่แม่อรอยเท่ากับปีก่อนนูน่นฟันที่เคยมีมันหลุดหายไปหรือมีก็เคี้ยวไม่ได้สารพัดไอ้ความผุกนเราเนี่ยมันเป็นข้อเตือนใจเราแต่มันไม่ได้พูใคยนี้ลิซ า, านุทานอฟซวูมินันมาก่อน สภาวะที่เป็นอยู่เป็นข้อเตือนใจแทนกับคาพูดบางทีไม่ต้องพูดทุกอย่างหรอกพอเห็นหน้าบึ่งก็บอกให้รู้ละไม่พอใจแล้วเวลาเห็นยิ้มก็บอกให้รู้ว่ามีความพอใจยินดีที่ได้พบกันเนี่ยเรองิสานุทานกุลมหามมจงประกาศแกวบาวของข้าเถิดว่ากุลีบาดีอัลลอฮนะ์ในรักเรานะ เรียกเราเสมอว่าอีบาดีเป็นบ่าของฉันนะบ่าของฉันนะนะจงกล่าวแก่พวกบบาของข้ายาคุลุลลตีฮยาอซันที่พวกเขากล่าวแต่คำพูดที่ดียิ่งกว่าอินชัยตนยันซุใบนะหุมและแท้จริงชัยตอนนั้นมันยุแยระหว่างพวกเขา อินชยตอนากานาลินอีซาเนอดูวามบูบีนาเราบอกแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูที่เปิดเผยของมนุษย์ชัยตอนเป็นศัตรูของเราฮะชัยตอนตัวจริงใช่ชัยตอนที่มันมายุยุยงอารมณ์ความรู้สึกก็ใช่ถ้าความรู้สึกเหล่านั้นมันมีความขัดแย้งต่อคำสั่งข้อเลาะชัยตอนเต็ม เนี่ยมันมันจะมาแบบเนี้ยมันจะมาแบบนี้นบบนเพราะชชัยตอนนูนมาจากคาว่าชาตตอห น, น้าชาตตอห น, น้าแปลว่าห่างไกลสิ่งที่มันกระตุ้นเตือนเราก็คือทําให้เราห่างไกลจากคําสั่งของอัลลอฮ์ตลอดเวลางั้นเกาะติดคําสั่งไว้ยินไว้สะเมียนนาวะตอนาได้ยินแล้วและจะปฏิบัติตอ่อัดปฏิบัติตามอย่าสะเมียนาวะไซนาได้ยินแล้วและเราจะทรอย ต, ต่อพระองค์อย่าเป็นแบบนั้นต้องตาย แต่นี้ชัยตอนมันยุมันยุแย่ระหว่างพวกเราพวกเขาวนํายยุยังไงเนียยน่เอาก็อาชัดระวัามุขอสมะเอาความชั่วร้ายมาโยนใส่ความรู้สึกของเราในตัวเราเอาสภาพของความเลวร้ายที่ที่อัลลอฮห้ามเนี่ยเอามาเป็นสภาพไว้ล้อมสาหรับตัวเรา งั้นเราต้องเลือกสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสลามถ้าสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่อิสลามเราต้องขจัดสภาพแวดล้อมนั้นออกไปหรือไม่ก็หนีจากสภาพแวดล้อมนั้นเพราะอะไรถ้าอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่อิสลามมันจะซึมซับสิ่งเหล่านั้นเข้าไว้ในใจเราแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความปกติไม่ถูกใจด่ากันใช่ไหมไม่ถูกใจคนข้างมากก็ด่ากันไม่ถูกใจก็ด่ากันทะเลาะกันตีกัน ตีรันฟันแทงกันสาภาพแวดล้อมเหล่านั้นเป็นสาภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเราหนีได้หนีถ้ายัางหนีไม่ได้ต้องอดใจที่จะไม่ซึมซับต่อสิ่งเหล่านั้นเอามาไว้ในตัวเรานายบีทึงบอกว่าไงล่ะเวลาจะปลูกบ้านให้เลือกเพื่อนบ้านให้เลือกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างที่เราจะปลูกบ้านน่ะดีไหม เพราะอะไรเพราะสาภาพของเพื่อนบ้านจะเป็นสาภาพแวดลอ้อมถ้าดีเราซึมซับสิ่งที่ดีถ้าไม่ดีเราจะซึมซับสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันเข้าหูทุกวันไมันทั้งหูทุกวันมันก็จะชินจกกนกระทั่งเป็นนิสัยสองวันมุขคอดสมะใชจต่อไม่ยุ่งให้ได้อันมุขคอสมะทะเลาะวิวาดกัน ถ้าทะเลาะวิวาสจะเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าการรุกของชายตอนประสบความสําเร็จถ้ามันรุกทางอารมณ์ที่เราเกิดความรู้สึกว่าจะจะจ ะ, จะทำสิ่งที่ไม่ดีเอาอูซุบิลลนไลม์ในชายตอนนิวรจีมขอความคุ้มของจร้อยพ้นจากชายตอนที่ถูกสาบแช่งเราต้องคุมตัวเองตรงนี้เอาอูซูบิลลนไลม์ในชายตอนนิวรจีมหรือนาอูซูบินไลม์เนี่ยเราเราต้องเราต้องรู้สึกตัวเอง ว่าเราจะพลาดที่เรารู้สึกตัวเองว่าจะพลาดณเวลานั้นเราต้องเข้าใจว่าอิสลามบอกว่ายัางไงเขาด่าเราเราอัดคำโดุนินนะอุซบินละอัดดุนิละมันก็หลุดแหละถ้าเขาด่าเราเราไม่่าห์อุบินละไม่ว่าห์คำนิลละมันก็มีอารมณ์ที่จะได้บุคคลสมะโต้กับโต้แย่งแล้วก็ทะเลาะทะเลาะ งันอนบอกในอายอื่นว่าวัน ล, ละีเนะุมานิีลาวุมว่กงลีดูนสิ่งอะไรที่ไร้สาระอย่าไปใส่ใจอย่าไปใส่ใจผ่านการมเมรีอไอควายเราก็ต้องทำดูแลไอ้นี่จิติดปกติ้เราคนแท้ๆมเมรีอไอควายนี่จะบ้าลแล้วขอดัวไอมันได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องใครว่ายควายเนโ h ก็ช่างมัน ในประการต่อไปวันหมุ ก, กอตะละเวลามันยั่วยุถึงที่สุดยุแย่ที่สุดแล้วมันจะมีการกอรตะละต่างคนต่างข้ากันก็ปะทะกันกอตะละาแปลว่าฆ่าหมุ ก, กอตะละากอตละล่ต่างคนต่างข้ากันต่างคนต่างต่อสู้กันและใครลำบากไอเราทะเลาะกันเนี่ยลำบากแม้กระทั่งนานบียังบอกว่า และอย่าให้ลูกมุสลิมไออยู่เราอ่ามุสลมไม่ฮลลัไม่อนุญาตที่มุสลิมจะสร้างความกลัวกับคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันไม่ได้แม้แต่กอมลูกก็อย่าไปกอมให้ลูกกลัวเรากอมกันเอาไม่นอนไม่รับนะเอาเดี๋ยวตุกก๊กแกจะกินตับสมัยก่อนใช่ไหมเอาไม่เดี๋ยวตำรวจมานะเดี๋ยวตายแน่เดี๋ยวฟาผะและอย่าให้ลูกไม่ฮั ไปไร่ทำครูให้เด็กเกิดความกลวัวมันจะเด็ดหลับไม่ใช่นะจะให้มันสบายสบายกันว่าเลยอะไรลอๆดิพอๆหน่อยละละให้ล ะ, ะเดี๋ยวมันก็หลับเอาอตบวดมากแล้วเอางูเห่ามากนะเอางูเหลือมมากนะเออมึงไม่เห็นเลยใช่ไหมถึงก็กลัวดิพอโตกูมากลัวกลัวงูเหา่ากลัวงูเหลือมกลัวอะไร แต่ไม่กลัวคําสั่งเขาลอ่อมันเคยกลัวงูมานี่เรากล่อมความรู้สึกของลูกจนผิดทางต้องการจะให้มันหลับอารอแค่แกงไงมันกินนมแล้วแกวงเดียวมันก็มืนแล้วก็หลับแล้วนี่ผมต้องบอกอิสลามต้องให้รายละเอียดในทุกมุมมองของชีวิตแม่งั้นเราที่เป็นมุสลิมนะถ้าไม่ได้อิสลามเราจะเป็นมนุษยชติที่เป็นศัตรูต่อใครและใครเยอะแยะ แล้วเราไม่สู้คนเอาสู้ถ้าต้องการที่จะมาเข็นฆ่าเราต้องต่อสู้ต้องการจะมาทำลายรานอิสลามดนบีสู้ในสงครามบาดัตในสงครามอูฮุดสู้นะแต่สู้เพื่อรักษาศาสนาให้ไว้กับตัวเองและกลุ่มชนผู้ศรัทธาต่อรออัลฮัมดุลิลละเดนบีสงครามบาดัตชนะจำนวนน้อยชนะร อ, อสองครามอิรักมาช่วยสงครามอูฮุดแพ้ เพราะอะไรเพราะบรรดาทาหารหานลืมคําสั่งของเราซูนที่บอกว่าให้สู้รบไปอย่าไปหวังทรัพย์สงครามของศัตรูที่เพียงพำนี่คนเห็นระวังทรัพย์กับคําสั่งของเราซูลใช่ไหมลืมคําสั่งก่อนลอกไปมองทรัพย์สินว่ามีคุณค่าเป็นความต้องการแล้วเป็นไงพ่ายแพ้นึบีจจ้บาดเจ็บสอฮาบ้าตายเยอะแยะที่เราไปเยี่ยมนี่ย นะที่อูฮุดฝังศพกันเยอะแยะไปเลยเพราะอะไรศัตรูตลุบหลังศนะัตรูตลุบหลังนี่เพราะอะไรงั้นต้องระวังคําสั่งของเราก็ต้องระวังเพราะเพราะอารมณ์มันจะมันจะอะไรจะเป็นเพื่อนกับสิ่งที่หลอกลวงตลอดเราต้องเราต้องไดขัดตาวไอารมณ์ให้เกาะติกานอิสลาม หนึ่งายตอนเอาความชั่วมาให้มันยั่วยุ่งงี้สองให้ทะเลาะวิวาทกันสามให้มีการแข่งข้ากันสีให้มีความเป็นศัตรูกันแค่ให้เป็นศัตรูกันแค่พอแค้นปุ๊บตามชัยตอนคือแค้นต้องชำระแต่สำหรับอิสลามที่สุดของความแค้นคือการให้อภยัย ที่สุดงความแค้นคือการให้ไปแล้วขออนุ้ายเขาเอาลัลอเลฮีดายะให้กับเขาอยู่กับอันอิสลามใจถึงจุด น, นี้มากถ้าใจถึงจุด น, นี้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ชาตอนก็เป็นศัตรูต่อมนุษย์นี่ที่ว่าว่ากุลลีบาดีลดิลีบาดีอากูลู อยากูลุลละติฮิอันอินนัสเซตานะยังจะกุมไปนหุมอินนัสเซตานะกันลินอิสานะอาดูวะมูบีน่าบมาแล้วเป็นสตูแบบไหนเราต้องรู้ตัวถ้าอะไรที่ไม่ใช่อิสลามรู้เลยผู้นี่เซตตานะ แ, แต่นี้กระแสะทางความคิดที่ไม่ใช่อิสลามมันก็มันไมันต้องการปลดอิสลามออกไปจากตัวเราด้วยยาฮูดนะซาลอเนี่ยแผนมันคืออะไร ต้องการปลดอิสลามออกไปจากตัวเรางานจะเป็นเครื่องแตงกายจะเป็นวิธีคิดอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการละเล่นต่างๆมันจะมีเป็นขอที่เป็นทารอมเพราะต้องการปลดอิสลามออกไปจากตัวเรานี่ยูฮูดนาซอรและตาญีดันนาชาดันนาซาดาวาตาลินลาดีนอามานุท่านจะพบกับศัตรูที่หารืโหดที่สุดต่อคนที่ศรัทธาต่อร้อคือกลุ่มไหนครับอันยูฮูด อย่าพูดวัน ล, ลาซีนาอัชรากูและคนที่ชิริกต่ออัลลอฮ์จะเป็นชนกลุ่มไหนก็ตามนี่เป็นอาดาวาตาลินลดีนาอามานูเป็นศัตรูต่อคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันต้องการจะปลดอิสลามออกไปจากตัวเราเราก็ต้องการให้อิสลามอยู่กับตัวเราปฏิบัติ ด, ด้วยและอย่าลืมขออุทิศว่าไงยาโมคอนลีบันกุลูโอ้ผู้พลิกหัวใจคืออัลลอฮ์ ซับบิตกอนบีขอพระองค์ให้หัะจารย์ั้นแนแนบแน่นอยู่กับอาลาดีนิกะศาสนาของพระองค์คืออิสลามวาลาตอปอฏิกาและการตออาดเชื่อฟังพระองค์ด้วยความรู้สึกที่เราฝังไว้ในใจว่าเวลาอัลลอฮ์บอกได้ยินแล้วเราซูนพูดคนดีพูดโตครูครูมาจารย์สอนซาเมอนาวะตอนาได้ยินแล้วและขอตออัดปฏิบัติตามนอย่าลืมยาวมุกอนเลบัลกูลูก สับบิดกอนบีอาาดีนิกวอาลาตออาติกว่าเรื่อยๆนั่งรถกวาดนะทะไรก็ว่างแล้วก็พูดขอหนุาตอนลอด้ตลอด เ, เวลาช่ยตอนชาตอนาพิมานาบาอูดาอะไรที่มันชวนเราห่างกกลจากความเมตตาของเราทั้งหมดเราอย่าคิดว่าเรามีชีวิตอยู่บนโลกรุญญานี้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่อัลล้าพอใจไม่ใช่ สมบูรณ์เป็นกระทั่งกษัตริย์อย่างฟิอูนเป็นไงกอรูฮามานเป็นไงเวลาไม่มีอิสลามเป็นยังไงท้ายสุดอัลลอฮ์ก็ทำลายให้เราเห็นและบางครั้งเราก็มองไม่เห็นถ้าเราไม่เข้าใจอิสลามจมน้าตายอัลลอ์พระพวกละบีมูซา คนจนด้วยพวกแบบนี้อิสราเอลนสมัยก่อนใช่ไหมพากันมาแลอัลลอฮ์ช่วยให้พามทะเลพอฟิรูนมาอัลลอฮ์ให้น้ําท่วมโมน้ําตายแต่ฟิรูนก่าอูสฮะดายืนยันว่าเราเป็นเจ้านะณนะเวลานั้นหมดเวลาที่อัลลอฮ์จะรับคํายืนยันของฟิรูนแล้วแล้วเราก็บอกว่าฉันจะรักษาร่างเขาเขาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่า คนที่เทเรย์ต่ออรอเป็นยังไงฟิลูนไ ม, ไม่ไม่เน่านะงั้นไปที่พิธภัณฑ์ในยีมันจะมีศพของฟิลูนเนี่ยอัลอลอฮ์ดูสิอัลลอฮ์พูดไม่เนา่าแล้วเก็บมาเป็นหลักฐานยืนยานในี่นี่คือคนเทเรย์ต่อรอที่อัลลอฮ์บอกว่าจะไม่ให้เนา่าฟิลูนก็ไม่เนา่า แต่นี้ใช้ตอนมาททาหน้าที่ยังไงล่ะเป็นเป็นศัตรูต่อไม่ใช่ต่อเราอย่างเดียวตั้งแต่อาดัมและลูกหลานของระเบียดดัมที่อัลลอฮ์สั่งให้สู้อยู่ต่ออาดัมมันไม่สยุดมันดื้อต่อคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เห็นไงงั้นมันเป็นอะไรอาดูหรอาดัมวาซุรีอาตีฮีเป็นศัตรูของอาดัมและลูกหลานของอาดัมตั้งแต่ไหน มินหีในอิมตนาอานิสยุธหรืออาดัมตั้งแต่มันไม่ยอมที่จะสอยู่ต่ออาดัมเมื่ออัลลอสั่งไม่สยุ่ด้วยแล้วก็สร้างความเป็นสัตรูด้วยทั้งยอร์ฮิรตันว่าบาตินาตนัทั้งภาพที่มองเห็นและความรู้สึกภายในเพราอะไร อ, อ, อัลลอฮ์อุซิยุธหรืออาดัมาซาญดูอิไลบิลิสัง่งวนเมเลกันให้ยู่ต่ออาด ทั้งหมดซูยูดอิไลบิลิสไม่แต่อิบิลิสที่อยู่ที่เป็นยินที่อยู่ในกลุ่มของมิไลกาไม่ซูยูต้าอาดัมอาบาวัสตัคบรอดดื้อแล้วก็ยาโซก็เป็นกาเฟตผู้ดือด้อดือด้อดึงต่อคําสั่งของอัลลอฮ์นี่ชัยตอนมันยังทําหน้าที่เหล่านี้อยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามมาเพราะเราเป็นลูกหลานของอาดัม มันก็มีลูกหลานของมาที่มุ่งที่จะทำลายเราเครือล้อสั่งนี่ยคำสั่งของอัลลอฮ์บอกอุซูดูริอาดัมมันไม่สยุดข้อใดอาบาวัสตักบารอดดื้อและหยาสูงั้นเราอย่าดื้อต่อคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งสมิอ์นาวะตอตนะได้ยินปฏิบัติเลย บางทีปฏิบตัติต้องใช้เวลาเช่นสการอัลลอฮ์อัส ก, การต้องดูว่าครบรอบปีไหมครบนิสอบไหมนะต้อใช้เวลาไปทําพัดแต่เมื่อน้าวตอนน้าได้ยินว่ามีบทบรรยาสนางไปทำพัดมันก็ดูว่ามีความพร้อมในเรื่องสเสบียงหรือเปล่าบ้านเมืองปลอดภัยไหมเนี yeah. ่ยมันก็อยู่กับองค์ประกอบที่อลัลลอฮ์บอกว่าเมื่อมีความพร้อมก็ไปทําพัดแต่ยังไม่มีความพร้อมอลัลลอฮ์ไม่กำหนด ไม่มาคับกำหนดแล้วแต่ว่าไม่มีคําสั่งบังคับเพราะเรายังขาดความพร้อมแต่เนียดไว้ว่าถ้าเรามีความพร้อมเราจะไปทําแต่ถึงเวลาไม่ได้ไปทำํำยิย ง, ยยงตายได้บุญของที่เรายังไม่ได้ทําของดีตั้งใจไว้จะทําไม่ได้แต่ถึงเวลาเราไม่ได้ทําเราได้บุญเพราะเราตั้งใจไว้แล้วเราตั้งใจไว้แล้วแต่อย่ารอกันรอดนะรอมาวา่วากกว่ามากากรู้ว่ามาการรอดรอ พวกเรานั้นหลอกกันเหรวันเราค่อยรุ่นมากีรินอันเรารู้ดีว่ามันหลอกยังไงงั้นตั้งใจดีแล้วก็พอถึงเวลาความพร้อมทำเหนียดไว้นะเนียดไว้ตั้งใจให้ดีเข้าไว้งั้นชาตอนก็เป็นศัตรูกับเราสู้กับเราจนกระทั่งเราตายแหละมันก็มีลูกหลาน รับบุคุลมาละมูบีกุมรับบุคุมอาละมูบีกุมและพระเจ้าของเจ้าทรงรู้จากพวกเจ้าดียิ่งอันนี้เป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮาลาขิตอบุลลินมุชลิกีนนะเป็นคำสั่งที่เป็นการโต้กลับกับคนที่เป็นมุสลิกีนตั้งหลายมุสลิกีนคือคนที่ชีดิกตอหร คชินิกต่อเราคือชาลาก้าคือเอาสิ่งอื่นมามีข้อเทียบเทียงหรือมีส่วนร่วมกับคําสั่งของอัลลอฮฺงั้นชินิกมีอยู่3ามแบบหนึง่งอาซิดกูฟินอากีดาชินิกในความเชื่อคนฝังคานูนชินิกในความเชื่อเรื่องของเขาแต่เรารู้ว่าละกุมดีนุกุ้มมไดดีเราได้มองเห็นไงชิริกต่ออะไรต่อเราเยอะแยะต่อวัตถุต่าง ๆ, างๆก็นันซิกหนึ่งที่อัลลอฮฺมีไว้ให้เราเห็นที่เราต้องหลีกเลี่ยง พอชิดิกเข้ามาก็หวยเข้ามาใช่ไหม ม, ม, มันมาหมดแหละสิิในเรื่องของอาคีดะงั้นอย่าถือว่าสิ่งอื่นศักดิ์สิทธิ์นะไม่ตะกุตไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกอาซิมัตก็ไม่จะศักดิ์สิทธิ์ไปศักตามตัวก็ไม่จะของศักดิ์สิทธิ์นะนี่เราให้ตัวครูทตาตะกุตมาแขวน ดีไม่ดีทำให้เราตกมุดตัดด้วยถ้าตะ ก, กุตที่เราแขวนสมมติขับมอเตอร์ไซค์ล้มล้วก็บอกนี่ถ้าไม่มีตะ ก, กุตที่โตอะคูให้นะฉันตายแน่เอาล้ อ, ลอไปไหนอะ่ะยังไม่มีสิ่งเหล่านี้สหภาพออกส้ามไม่เห็นอาญาคุณอาหานแขวนเลยอยู่กันในบีหรือซ้ำนี่คิดว่ขิตาบุลลินมุชลิีน อัลล ok um ์กำลังบอกมุสด ok ah um ิกว ah, ah ่ารอบบุคุมาละมูบิคุมและในอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าอัลล์รู้ดียิ่งกว่าพวกท่านทั้งหลายบิมันยัสตาฮิกุมิงกุมอัลฮิดายะว่มันลายสตาฮิกุรู้ดียิ่งว่า ใครที่อลัลลอฮ์จะให้เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับผิดายยะและใครที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับผิดายยะอลัลลอฮ์รู้ดีอลัลลอฮ์รู้แต่เรารู้สิ่งที่อลัลลอฮ์บอกเราก็สมัมมอันะาวาตะนาปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ไปบอกคนอื่นด้วยปฏิบัติด้วยรู้สมัมมอันะาวาตะนารู้ปฏิบัติแล้วก็แนะนําบอกกล่าวอิสลามปากต่อปากกลุ่มต่อกลุ่มบอกกัน บอกกันเห็นผิดบอกเลยแต่อย่าไปว่าเขาแต่ทีจริงนะบีให้ทําแบบนี้เอเลาสั่งแบบนี้พออย่าไปบอกว่างี่เง้าอายุปันนี้แล้วไม่รู้เรื่องเลยไงพ่อแม่ไม่สั่งสอนเดี๋ยวก็ตกกันบอกเขาเลยค่อยค่อยบอกเดี๋ยวเขาก็จะรับเองถ้าเราพูดดีอ่ะคือมันมีทฤษฎีหนึ่งเรืแรงตกเท่ากับแรงสะท้อนถ้าตกแรงสะท้อนแรงไม่เอาเลย แ้าแรงตกมันเบาพูดดีๆแรงสะท้อนจะดีก็รับเอาเป็นข้อปฏิบัติถ้าไปว่าเขาไม่ประสบความสาเร็จหรอกต้องต้องแนะนําบอกเขานะขอดอวยอวยเขาได้รับพิดายาจากอัลลอฮฺสุลตาราอัลลอฮฺรู้ใครจะได้รับพิดายาใครที่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับพิดายาอัลลอฮฺรู้หมดเลยแต่ว่าขุนทางมาแล้วอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องมาแล้วถ้าตามอันล่องสบาย เราไม่ได้เอาของคนอื่นมาแทรกไนงะอลัลลอฮ์องเดียวอามันตูมินเลยวาดาศรัทธาต่ออลัลลอฮ์องเดียววาดาฟินอาคีดาความเชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียววาดาฟินอีบาดาอีบาดาอาลัลลอฮ์อย่างเดียววาดาฟินอากาฮุกโกรมต่างๆอลัลลอฮ์บอกเอาเอาลัลลอฮอย่างเดียวก็สบายถ้าเอาหลายอย่างยุ่งวาดาหนึ่งในเรื่องของอาีดาอาลัลลอฮ์องเดียวไม่ต้องมีสารพัดสารพัน ผายอ ง, งผ้ายันผ้า อ, อะไรต่ อ, อะไรโอ้สารพัดจุ่มวาดาฟินอิบาด า, อ, าอิบาดาต่อแล้วอย่างเดียวทําทุกสิ่งที่ทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ฟังใครฟังอัลลอฮ์ละระซูลบอกถ้าลอฮระซูลไม่บอกไม่ต้องวาดาฟินอากามและวาดาในเรื่องของอากามิคุ้ม enfin ต่างๆบทบัญญัติมาก็สเมียนาวาตนาได้ยินก็ปฏิบัติแต่บทบัญญัติมาใช่ไหม เรามีความพร้อมจานิก้าก่อนนี ก, ะกะน้าเหมืนทีสต๊าฟมิ้งกูพูดบ้าฟันยาตซาวัดมีความพร้อมสิจานิก้ก่อนนิ ก, ะกะน้าเราอย่าเราอย่าไปเป็นอย่างอื่นเราอย่าไปเป็นอย่างอื่นเพราะตอนนี้สีนามันกัดเกินลีวาดมันกัดเกินผู้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงบอกโอ้สีน่ากัดเกินกระแสเหล่านี่แรงทายีมาละอ่อนไม่มีความเข้มพอ แล้วอาจจะไปรับกระแสนี้ก็ได้งั้นเราละหมาดอา้อนให้เราอ่านทุกวันเลยอีเดนสซิรต์ตอนมุสตากรีมขอพระ อ, องค์โปรดนำเราสู่ทางที่เที่ยงตรงสิรต์ตอ น, นอะไรนี่นะอันอัมตาอะไรฮิมคนทางที่พระองค์ได้เคยให้เนี่ยมาจากคนก่อนหน้านี้มาแล้วคนดีคนนบีบรรดาเราสู้มาแล้วไกดินมองดูเรื่องอะไรฮิมว่ารับดอลินไม่เอาทางของคนที่ถูกกิ้วและคนที่หลงผิดไม่เอานั่นคืออดุดมการณ์ชีวิต ที่เราต้องต้องมุ่งมั่นตั้งใจไว้เป็นแบบนั้นและเราเนี่ยอยู่ได้เพราะอัลลอ์คุ้มครองคนอื่นมาคุ้มครองไม่ได้หรอกอัลลอ์คุ้มครองให้เต็นตามระบบอัลลอ์กันแล้วกันวาลบูกะอะลามูบีมั่งฟิศมาวาติวัลอัลและพระผู้เป็นเจ้าของท่านคืออัลลอฮ์เนี่ยทำไมมึงที่เลยว่าอัลลอ์ อันคีอมันคำเรียกว่ า, วารบบัารบบุญไปว่าดูแลอัลลอฮ์คือนามเชื่ออัลลอฮ์มีเก้าสิก้าพนามนามเชื่ออัลลอฮ์แนะนําเลยนะอายุเราเราต้องยอมรับ ป, นนประการนี้นามเก้าสิบเก้าพนามจําไม่ได้ อ, อ่อจริงถ้าจําได้กรอบลูกกอบหลานก็ได้เพราะเราไม่ได้ท่องกันมาเราตอนหลังจะมาท่องมันก็ไม่เข้าสมองแล้ว จำอะไรได้สรารพัดแต่นาำเชื่ออ่อนไม่ได้จําจําไม่ได้เอา้างั้นถ้ามีน้ำเชื่ออ่อนเนี่ยนะจําจได้เดี๋ยวเอามากอมลูกก็ได้แล้วอทำตัวเลยละไม่ต้องไปครูมันให้มันกลัวขอรับบุกอาอัลละมูและพระเจ้าของเจ้านั้งทรงรู้ดียิง่งบีมังฟิสสมาวาทิวันอัต ถึงสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินรู้รู้หมดแหละเพราะเราสร้างฟากฟ้าและแผ่นดินมารู้ดียิ่งและสิ่งที่เราสร้างมานั้นน่ะวัลวลาที่เขาล็กาลักลุมมาฟินอดิจะมีอาสร้างทุกสิ่งมาเพื่อประโยชน์สำหรับพวกท่านทั้งหมด เราได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาทั้งหมดอัลลอ์ไม่ได้เอาประโยชน์จากสิ่งที่พระองค์สร้างเลยแต่สร้างมาเพื่อให้คนละกนละกุ่มสร้างมาสำหรับพวกท่านทุกวันนี้แผ่นดินบางที่มีน้ำมันบางที่มีแร่ธาตุมีทองคํามีอะไรสารพัดอัลลอ์ไม่ได้เอาน้ำมันอัลล์ไม่ได้เอางินเอาทองแต่สร้างมาเพื่อประโยชน์สาหรับพวกท่านมีดินปู่งจนไม้งอกงามขึ้นมา ประโยชน์สำหรับพวกเรามีน้ำเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราวายาอันนาเมีนามาคุณละชายอินยินเราให้ทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยน้ำถ้าไม่มีน้ำตายอลเลาะก็ให้น้ำมาแต่นี่ให้มาเยอะทางอิศมุอิสานว่าเพราะระบบการดูแลน้ำไม่ดีระบบการดูแลน้าไม่ดีบางทีคนมีอำนาจต้องการไปสร้างเขื่อนบนภูเขา ฮนะโดยอำนาจฟังฟังดูแต่มันทําลายแหล่งต้นน้ําที่มาจากต้นไม้ที่เราสร้างมาก่อนนะ่ะทําลายแหล่งน้ําอ่ะท้ายสุดแห้งแรงน้ําก็ไม่มีเพราะเพราะมนุษย์คิดไงงั้นเรารักษาสภาพแวดล้อมให้ดีเราสร้างมาสมบูรณ์แล้วรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีเราจะได้รับประโยชน์ สมาวะสมาวะในหลายชั้นนะแพ่นดินก็หลายชัน้นวัละก็อฟัดต้นนาบะต้นนบียินอลาบะดินและแน่นอนเราฟัดตนาเราคืออัลลอ์นาเนี่ยแสดงว่าหลายคนแต่อัลลอฮ์องเดียวแต่พูดฟัดต้นนาทำไมละ่ะไม่ไม่ฟัดต้นตูล้ล่ะอมาเขลักตุนยินฉันไม่ได้สร้างอีแลมนุษย์มาเพื่อินไดไวแตฮิบาาัยแล้วตอรอดทไมอละะัลล์บตู้แปลว่าฉันนาแปลว่าเราแสดงว่รารอดหลายคนเดเปล่า แต่กําลังบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺชำระลาฟัดดันาฟัดดันตูฟัดดันานไม่ใช่อัลลอฮ์หลายคนแต่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และเราได้ให้บรรดานาบีให้เรื่องนบีบางคนให้เด่นกว่าอีกบางคนเด่นกว่าแต่และนบีก็เด่นกว่านาบีอีกบางคน น บ, บีที่เด่นที่สุดรอซูนที่เด่นที่สุดคือท่านน บ, บีมุฮัมมัด ส, สุลลัลฮวยัสลัลลัมงั้นความเด่นของน บ, บีทั้งหลายที่ทำหน้าที่เป็นการได้าว่อิสลามเฉพาะกลุ่มแต่รอซูนได้าว่อิสลามทั่วไปเวลาก็ต้องหันกลับไปอ่านประวัตินบีบ้างนะมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของน บ, บีไปดู อ่านอ่านหนังสือที่เป็นการเติมเต็มประวัติของบรรดา น, นับีให้เราได้รับรู้บ้าอัลลอฮ์ให้ความเด่นของอับดเหนือกว่าอีกบางคนอบดแต่ละคนแต่เด่นที่สุดที่ท่านอับดุลกุมมัตสุลลสลามที่ชฟาอุมมาทั้งหมดว่าอาตยนาดาวูดะซบูรอและเราได้ให้ซาบูตแก่ท่านนับีดาวูด มีคำพี์ทั้งหมดไม่ใช่ว่าสอนอิสลามตามอารมณ์ไม่ใช่มีคำพีทั้งหมดก้นม <IS> ุฮัมมัดจประกาศเซลคนผู้ทินนดัดพวกท่านจงเรียกร้องบรรดาสิ่งที่พวกท่านกล่าวอ้างอื่นจากอัลลอฮ โอูโอ้ดะอนี่เร า, าพูดย่างนาบียเร า, าบอกให้บอกกันยูมาเราคุ้นมัว h มั m a มัว hammad งกลางเธอต้องบอกจงประการให้กับใครลิฮาอูลินมุชลิกิในคนที่เป็นมุชริกต่ออัลลอ์อัลลาีนะอาบะดูไกรรดลอที่คนเหล่านั้นอิบ า, าต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อลัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้คุ้นมัวั a บอกกับคนมุชริกที่ไม่ได้อิบาดาต่ออัลลอ์บอกให้เขารู้啊 พวกท่านจงเรียกร้องบรรดาสิ่งที่พวกท่านกล่าวอื่นจากอัลลอฮ์เป็นการประชดแล้วสิ่งที่อื่นนอกจากอัลลอฮ์มันจะให้ประโยชน์ยังไงเอาขอไปได้ประโยชน์ยังไงเอาขอแล้วมันได้หวยถูกหวยล่ะนะมันไม่ได้ให้หรอกไม่ได้ให้หวย ห, หรอกต่างคนต่างซื้อเบอรินู่นบรินี้ซื้อเยอะแต่เยอะถูกกันมาบ้างก็กลายเป็นสักศิษย์ไปสักศิษย์สักศิกษย์แต่งลงก้อนหินที่มนุษย์ ตกแต่งขึ้นมากลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ต้องเคารพบูชาเลี้ยงดูมันไม่ใช่อิสลามไม่ได้ว่าแต่พูดให้เห็นว่าละกุมดีนุกุมอรีดีนของเขาคือของเขาของเราคือของเรางั้นสิ่งอื่นที่นอกจากอัลลอฮ์เราเป็นยังไงไฟลายามลิกูนกัสฟัดดุรุวกมันไม่มีอำนาจที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากอังกุม จากข้อพูดท่าทั้งหลายเวลาจะวีลาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจากตัวของพวกท่านได้ไปขอไม่ได้หรอกแต่ที่เราขอบางคนเห็นไหยกาเฟนมันขอมันได้เพราะอัลลอฮ์ทรงราะมานอัลลอฮ์มีซิฟ่าราะมานที่ให้กับคนที่ไมันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่ว่าบิสมิลลาฮิราะมานให้กับคนที่มันอิม่มมาต่ออัลลอฮ์ในดนยานี้แต่เราให้มอัลลอฮ์ o, ให้เฉพาะมุมินในวันกิยามะกาเฟนหมดสิธ การร้อมานอยู่ได้ในวันนี้ได้รับประโยชน์อะไรต่างๆร่ำรวยมหาศาลเพราะเลาสรงรองมารทรงเมตตาแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยนะมันก็สูงสลายถ้าเขาไม่ได้ศรัทธาต่อหรอกแต่สำหรับรอฮีมนั้นขอสตุ ล, ลินมุมีนี้ในยาวมันกี่อย่างมาดังนั้นสรุปบทเรียนทั้งหมดทำให้เราได้รับรู้ว่ามุสลิมอัลลอ์ให้มุสลิมได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิุลิฮาน ในทุกภาวะของชีวิตจะทุกจะสุขให้ว่าธรรมดุลินละสองคนที่มีอเลยแล้วจะไม่เป่าเปลี่ยวในกูโบสเราต้องพยายามให้ตัวเราเองอยู่กับกลุ่มชนที่มีเลยแล้วอิสลามละนะคนที่อิมานตอนลอะเกาะกลุ่มคนเหล่านี้ไว้สามคนที่เป็นอาลุยเลยแล้วคนที่อยู่กับกลุ่มชนที่เป็นมีเลยละ จะเป็นคนที่ปลอดภัยข้อประการต่อไปห้ามชี้หรือขู ด, ด้วยมีดหรือปืนหรือด้วยอาวุธหรือโดยท่อนเหล็กที่อาจจะเป็นอันตรายต่อบุคคลที่เราอยู่ด้วยกันเพราะใชตอนจะทำให้หลุดมือและเป็นอันตารายต่อคนที่ถูกชี้ถูกขูดได้คู่จะยิงเลยนะด้ยิงเลยนะอะนาบทตรีใช้ตอนอ้าวยิงไปแล้วนะ ถามครูด้วยรายการต่อไปก็คือว่าอาลัลลอฮ์รู้ดียิ่งกว่าพวกท่านหนึ่งหลายที่จะจัดการหรือประทานสิ่งต่างๆให้กับเราเอาลัลลอฮ์รู้ดีว่าใครที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับฮีดายะและใครไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับฮีดายะอลัลลอฮ์รู้ เราเนี่ยอยู่กับอุทธรณ์ตลอดฝ่าติี่หาทุกวันอีดีนัสซิรอตอนมุสติกีมอีดีนัสซิรอตอนมุสติกีมกำลังขออุทารณ์โปรดนำเราสู่คุณทางที่เที่ยงตรงคุณทางของนบีนะคนทางของบัตรซุนทั้งหลายที่เป็นคนทางถูกต้องขอพระองค์โปรดนำเราด้วยพูดแล้วก็สมัมฤทธนวะว่าอุทธนะพูดแล้วก็ปฏิบัติด้วยดะยินแล้วก็ปฏิบัติด้วยนบีเด่นๆนะนาบีนะ ที่นบีเดนเดนนบ ม, นมีบทบาทในการด่วาวายสามเฉพาะกลุ่มคารอซูนทั่วไปหมดนบีเดนก็เรียกุลอซมีก้อนนอิบรอฮมมูซาอซานุแลก็ ม, ลมุฮัมมัดลลัลัมนะอิบรอฮมมูซาอิซานุมุฮัมมัดสุลลัลัมในประการต่อไปก็คือว่าเมื่อเรามั่นใจในอัลลอฮตาลาแล้วเนี่ย เราต้องกลัวอัลลอฮ์โดยไม่ทําสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและต้องหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ในสิ่งที่เรามีความต้องการเนี่ยใจต้องผูกกับอัลลอฮ์อ่ลเราเข้าฝุนอะไรที่เวลาคุณยาติโน่นกลัวสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและรอจะหวังต่อ all all, อัลลอฮ์ในสิ่งต่างๆเราหวังต่ออัลลอฮ์และขออ้อนอนต่ออัลลอฮ์ถ้าหลุจาอัลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งอื่นที่เป็นวัตถุเพราะว่า ผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออลลอฮ์เาเป็นซิกหนึ่งของชีวิตที่เรามองดูแล้วเป็นข้อเปรียบเทียบเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ของเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราจะสรุปได้เป็นข้อเตือนใจว่าละกุ้มดีนุกุมวาริยาดีศาสนาของคุณคุณก็ปฏิบัติดีนคือตรีคุณพยาธิวิถีชีวิตของคุณก่อละกุ้มดีนุกุ้มวาริยาสาหรับฉันดีนคือดีนของอัลลอฮ์ที่สุนนะบีและเราซุ่มาประกาศแก่พวกเราเราเกาะติดสิ่งเหล่านี้ให้มั่น ได้อินฉาเลาเราจะดูแลและคุ้มครองเราให้ความไม่ตายแกเราเอาฝากสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับกับพี่น้องและขออ่าอาต่อลลอฮฺประทานฮิดายะให้กับพวกเราโดยทั่วกันสุว่าหนกลัลลอฮฺบิฮัมดิกะอาชาดุลละอิลลาฮิอิลลาอันต้าอัสตารุกะวะตูบุไลกัสลามวะลัอกุมะะฮ์มะล์มะตุลลอฮวะบระกาตุ